อย่างที่มันเป็นโทษเราก็อย่าไปทำมันออนนี้เราไม่รู้กันอ่าเข้ามาได้เลยนะเข้ามาเลยยังไม่ได้มีอะไรอ่ ะ, อะของเข้ามาถวายได้เลย ห้องหนักก็วางไว้ตรงนี้เลยเอาเอ า, เอ า, เอามีเสืออะไรหยิบเอานะแต่อยากจะนั่งข้างนอกพระพุทธเจ้าเป็นสัตวท้าเดวมนุษย์สานัง เ, เป็น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 สัวนใหญ่จะไปได้ความทุกข์กันอยากได้ความสุขความเจริญกันมาหาพระให้พระสวดให้แล้วคิดว่าได้แล้วข อ, อพระให้พร อ, อายุวันโนสุ ข, ขัขงพลังโอดีใจกลับบ้านได้นะมาในี้พระให้บุญให้ให้ความให้พรแล้วอันนี้ใครๆก็ให้ได้ไม่ต้องเป็นพระก็ให้ได้อม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 เพราะเราไม่สนใจศึกษากันะต่างชาติเขารู้ศาสนาพุทธมากกว่าพวกเราคนไทยรู้กันะพวกต่างชาติเขาสนใจเขาศึกษากเขาอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ปฏิบัติตามจนทาให้เขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยมาบวชที่เมืองไทย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 เขาที่ไม่เชื่อเขาก็ดูว่าเห็นมีอะไรเอาน้ำมาสาดสะอาดเอาพมานั่งร้องเพลงส่วนประสานเสียงกันเขาก็มีอยู่ศาสนาเขาก็มีเขาก็เข้าบวดร้องเพลงกันมันก็ไม่เห็นได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนเดิม ความทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆความวิตกกังวลความหวาดกลัวยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะเข้าไปไม่ถึงแก่นได้แต่เปลือกเหมือนกินเปลือกทุเรียนไม่ได้เคยกินเนื้อก็เลยแปลว่าทุเรียนไม่อร่อยคนไม่เคยกินเนื้อทุเรียนกินแต่เปลือกเปลือกมันจะอร่อยตรงไห นแต่น้ำพอไม่ยอมแกะเปลือกออกกันขี้เกียจให้ทุเรียนมาก็กินที่เปลือกมาเลยคิดว่านี่ก็คือผอลทุเรียนผลที่เรียนอยู่ที่เปลือ ก, อกเจอพุทธศาสนาก็ก็ใส่บาทแล้วก็ขอพรนะจบะมาถวายของเสร็จก็ ให้พระให้พรใจก็กลับแล้วได้ทุเรียนไปแล้วแต่ไม่มาสอนไม่มาศึกษาวิธีแกะทุเรียนเนะี่ยเนื้อทุเรียนมันอยู่ข้างในมันไม่อยู่ที่เปลือกแต่พวกเราชอบกินเปลือกกันชอบทำบุญใส่บาตแล้วก็ให้พระสวดให้พร บางคนทําบุญแล้วถ้าพระยังไม่ให้พรก็ยังไม่ไปนะเราให้เราให้พระให้พรก่อนเพราะไม่เพราะคิดว่ายังไม่ได้บุญเนี่ยทําบุญแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองได้บุญแล้วต้องร้อให้พระสวดก่อนให้พรก่อนถึงถึงจะได้บุญนั่นหละที่พระสวดก็ให้เปลือกไป <laughs>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 รจะแนะนำิธีการก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาหนังสือก่อนามาอ่านคันจะศึกษาจากพระไตยปิฎ ก, กด้วยก่อนจะดีเพราะจะได้ต้นฉบับได้คำสอนของพระพุทธเจ้า ม, มาเป็นแบบฉบับแล้วก็เอาคำสอนของพระปฏิบัตินี้มาช่วยขยายอธิบายอีกทีหนึง่ง ถ้าเราไม่ศึกษาต้นฉบับเดี๋ยวเราไปอ่านคำแปลคาสอนของผู้อื่นท่านแปลผิดแปลถูกเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะถ้าไปเจอพระที่คนสอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเรามาสอนเดี๋ยวเราก็อาจจะหลงไปกับท่านก็ได้อย่างสมัยนี้บอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันนั่งทำไมนั่งหลับตาแล้วได้อะไร ลองพิจารณาปัญญาเลยแล้วพิจารณาปัญญาเราหลุดพ้นกันได้ออยังมันปัญญามีเพื่อดับความทุกข์แต่ถ้าเร า, าเราใช้ปัญญาแต่เรายังไม่ได้ดับความทุกข์เพราะเราไม่ไปดับเราไม่ไปดับกิเลสเนี่ย คนชอบใช้ปัญญาแต่ไม่ชอบละตันหากันอย่างชอบหาความสุขทางร่างกายกันอยู่อย่างชอบหาเงินหาทองกันอยู่อย่างยออย่างชอบเที่ยวอย่างชอบเป็นใหญ่เป็นโตกันอยู่อย่างชอบให้คนย ก, ย, กย่องสรลเสริญถ้าปฏิบัติแล้วไม่ละความชอบเหล่านี้ มันก็ไม่ไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าใช้ปัญญามันต้องรู้ว่าราบยศสารเสรอนรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขความอยากในราบยศสรรเสริญนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาจริงมันก็ต้องละการหาลาบยศสารเสรอนละการหารูปเสียงกลิ่นรส เราควรที่จะศึกษาพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงมีไม่กี่พระสูตรที่สำคัญสำคัญนะคื อ, อธรรมจักกัปวัตตนสูตรนี่เป็นพระปฐมเทศนาเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระธเจ้าทรงสอนทางสายกลางทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกขามีแปด มีแปดองค์ประกอบมีหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปความดําเริ่ความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามม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 ระดับต่าระดับต้นก็คือบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์สวรรค์มีจริงทำบาปแล้วไปนรกนรกมีจริงก็ต้องศึกษาว่าสวรรค์เป็นยังไงอยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนถ้าไปหาสวรรค์บุญในอวกาศก็หาไม่เจออันนั้นเขาก็ใช่ครับ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 นะความสุขใจเรียกว่าสวรรค์เวลาทำบุญทำบาปแล้วใจร้อนใจทุกข์นี่เรียกว่านรกหรืออบายต้องเข้าใจของเหล่านี้ก่อนต้องศึกษาเมื่อเรารู้แล้วว่าของพวกนี้มีจริงเราก็ศึกษาเหตุที่ทำให้เกิดของเหล่านี้ขึ้นมา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 ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตอนที่ร่างกายตายไปนี้ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับนะเวลาเรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วเราก็ฝันฮฝันดีฝันร้ายหรือไม่ฝันฮถ้าฝันร้ายก็เป็นนรกนะเป็ น, นอาบายถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์อันนี้ ก็เป็นเหมือนกับช่วงที่เวลาที่เราตายไปเราเวลาตายก็เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เนี่ยเหมือนนอนหลับเวลานอนหลับเราตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาได้ร่างกายอันเก่าแต่เวลาตายนี่เราเรานอนหลับแต่พอเราตื่นเราจะได้ร่างกายอันใหม่พอเกิดใหม่มาเกิดเออกออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาเราว ช่วงที่เราเราเปลี่ยนร่างกายใหมน่นี้ก็เป็นช่วงที่ใจไปสวรรค์หรือไปอบายนี่ช่วงนั้นก็เหมือนกับเราฝันเราฝันว่าเราเป็นเดาชาน์เราเป็นเปรตเป็นเทวดาเนี่ยแต่เราไม่รู้ชื่อว่าเราเป็นอะไรแต่เรารู้สภาพของจิตใจ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 ถ้าเรานอนกับร่างกายอันเก่านี้สี่ห้าชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ไปนรกไปสวรรค์แบบรวคราวไปไม่นานเวลาฝันดีก็ตื่นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเวลาฝันร้ายก็เหงือแตกพักขึ้นมาอันนั้นแหะแสดงว่าไปเที่ยวนรกมาแล้วไปเที่ยวอาบายมาแล้ว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 ทำเหตุการณ์ที่ดีก็จะฝันดีถ้าเราทำเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็จะฝันร้ายคนบางคนเนีเวลาใกล้าตายเนี่ยก็เหมือนอยู่ในแดนสมทยาละวครึ่งหลับครึ่งตื่นเวลานั้นมักจะเพอ้อบางทีเคยทำบาปทำอะไรไว้มันก็จะเพอ้อออกมาคนที่ทำบุญเขาก็นอนสงบสบาย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 ดูจงกระจะจ ะ, จะได้ร่างกายใหม่ก็จะจบหนังจรินก็จะจบพอได้ร่างกายใหม่ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่ตามแต่วิสัยความชอบเคยชอบทําบุญก็จะทําบุญถ้ามีโอกาสถ้าชอบทําบา ก็จะทำบาปถ้ามีโอกาสแล้วถ้าอยู่กับคนที่ชอบทำบุญเขาก็จะดึงเราไปทำบุญถ้าอยู่กับคนชอบทำบาปเขาก็จะดึงเราไปทำบาปมันก็จะมีสองอิทธิพลความชอบของเราเองกับบุคคลที่เราอยู่ด้วยเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อเราตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ย เขาดึงเราไปบวชเนี่ยถ้าแล้วก็ไม่ดึงเราไปเราคงไม่ไปเองแอ่ถ้าเขาชวนเขาบอกว่าดีนะอย่างงั้นอย่าง น, น, างนี้พาเข้าวัดพาให้ไปดูสภาพของวัดของพระว่าเป็นอย่างไรเราเห็นแล้วเราก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเราก็บวชแต่ถ้าพ่อไม่ชอบเข้าวัดชอบพาไปเที่ยวอ่าไปเ ท, เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ปิดเทอมก็อยากจะขอพ่อไปเที่ยว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 เป็นตัวของตนเองแล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วทีนี้ก็จะตั ด, ต, ดตัดสินใจไปในทางที่ตนเองชอบชอบปฏิบัติเพราะอยากจะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายพ่อแม่ดึงพ่อดึงให้อยู่เป็นมหากษรัตริย์ก็ไม่เอามหาจักรพรรดิก็ไม่เอาจะขอไปบวชจะไปขอจะไปหาวิธี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 เมืองไทยเราก็บวชพอเป็นธรรมเนียมพระเจ้าแผ่นดินเกือบทุกองค์งรรมรัชจารที่หนึ่งถึงรัชการที่เก้านี้มีประเพณีบวชกันแต่ไม่ได้บวชอย่างแท้จริงบวชเพื่ อ, เ, อเป็นพิธีว่าเพื่อศึกษาคำสอนเพื่อที่จะไดเอาอมาใช้ในทางโลก เ, เพื่อที่จะ อ่าเป็นคนดีอันนี้ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีบวชเดือนหนึ่งดีกับไม่ได้บวชนะคนที่บวชเดือนหนึ่งนี่ได้เรียนรู้อะไรได้ได้ปฏิบัติได้อะไรที่คนที่ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนจะไม่ได้รู้ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็ดีเป็นการเหมือนกับว่าไปเรียนสิ่งที่ดีที่งามแล้วจะได้นําเอามาใช้ต่อไปถ้าใช้ชีวิตก็จะดีจะเป็นคนดีฮ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 ตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ความเห็นอีกอันหนึ่งก็คือความเห็นว่าลาบยศสรรเสริญนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นทุกเวลามันเสื่อมอมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มัน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 หาสติหาสมาธิหาปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เขามีสัมมาสังกัปโปความคิดที่ถูกก็คือคิดที่จะออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายคิดที่จะเลิกหาลาบยศสรรเสริญเมื่อมีความคิดที่ถูกต้องก็จะนาไปสู่การกระทำที่ถูกต้องก็คือไปถือศีลกัน ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤดผิดประเวณีไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ดื่มไม่รับประทานอาหารหนังเทียงวันไปแล้วอะไรตามตอนน้องนี้อันนี้ก็จะเป็นการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็จะพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปโกหกคนที่โกหกเพราะมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าพูดความจริงแล้วไม่ได้ก็ต้องโกหกถึงจะได้ผู้ชายไปหลอกผู้หญิงว่าไม่มีไม่มีเมียนี่ก็โกหกเขาแล้วมีเมียอยู่ที่บ้านแต่ว่าไปจีผู้หญิงใหม่ก็ไปบอกว่าเป็นโสเภณีผู้หญิงก็เชื่อแบบนี้ก็เรียกว่าพอมีความอยากอยากได้เมียใหม่อยากได้แฟนใหม่ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่เห็นจะต้องไปโกหกเขา เขาถามว่ามีครอบครัวหรือปล่ากขาบอกว่ามีอันนี้ก็นําไปสู่การมีการการะทําที่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องธรามะกิงก็จะไม่ไปทําอาชีพที่ไปอสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่ขายเหล้าขายเบียร์เปิดผับเปิดบาร์เปิดซ่องเปิดบ่อนเะนี่มันเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่น ตองนงได้รับประโยชน์เป็นกองทุกของผู้อื่นก็ไม่ทำอาชีพแบบนี้ถ้าเป็นพระก็อาชีพบิณฑบาตถ้านักบวชก็บวชหาแล้วก็มาเจริญสติสติชอบเป็นงานก็สติให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวอย่าไปอยู่กับหลายเรื่องสมัยนี้เราชอบทำงานหลายรอย่างพร้อมกันคิดว่าเก่ง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 ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางาลาบยศสรรเสริญนี่ก็อย่างเงี้ยพอจับมาได้ปับ๊บเดี๋ยวก็ลื่นไปละเดี๋ย <_ p ans> วก็หลุดไปละเดี <_ p ans> ๋ยวต้องหาใหม่ละไปเที่ยวมาปับ๊บมันก็หายไปละความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปละต้องไปเที่ยวใหม่ละแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันอยู่กับเรา <_ p ans> ถ้าเรามีสติแล้วเราสร้างมันได้รักษามันได้เก็บมันไว้ได้ตลอดเวลา ของง่ายๆกับไม่ชอบทําำได้ไปทําของยากกันต้องไปเรียนหนังสือจบปริญญงป ร, ริญญาแล้วก็ไปหางานหาการทําหาเงินหาทองพอได้เงินก่อนมาซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆพอซื้อมาแล้วก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่พออีกแล้วต้องซื้อใหม่อีซื้อเพิ่มอีกแล้ว ต้องขยายกิจาการไปเรื่อยๆเนี่ยและคือการศึกษาปัตตธรรมเทศนาในพูดยาวเลยแต่ลองลองศึกษาดูจริงๆแล้วมันยาว<ม>คือ น, นอกจากในพระธรรมเทศนาและของพระเจ้าแล้วยังมีคำอธิบายของครูบาอาจารย์ต่างๆ<ม>เขาเรียกว่า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 สมัยก่อนที่ไม่ได้ศึกษาจากพ่อตไตเวดกเพราะว่าญาติยาโยมไม่มีการศึกษาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็เลยต้องอาศัยพระผู้ที่เป็นผู้ไปศึกษามาถ่ายทอดอีกทอดหนึง่งแต่การศึกษาของพระมนุษ้สึกจะหย่อนยานไปอย่างนี้พระบางทีบวชแล้วก็ไม่รู้ว่าคํคาสอนต่างๆของพระเจ้าคืออะไร ก็มัวแต่มาทําพิธีกรรมแทนเถอะนะอันนี้บวชก็ไม่ต้องการให้พระศึกษ า, าก็ต้องการมีพระรับกิจนิมนต์ขอญาติโยมเวลาเข้าวัดไปหาอะไรไปหาความรู้หรือไปหาพระไปนิมนต์ไปไปฉันที่บ้านนิมนต์พระไปสวดนิมนต์เพื่อพระไปทําพิธีสะเคาะสะดอเคาะอะไรต่างๆนิมนต์พระไปเจิมไปปะพร ม, มน้ํามนต์อย่างนี้นี่ซื้อรถใหม่ก็วิ่งเข้าหาพระแล้ว ให้เจิมให้หน่อยให้ปะผมน้ำมนต์ให้หน่อยรถจะได้วิ่งปลอดภัยเราบอกว่าถ้าจะเจิมมันต้องเจิมคนขับยังไปเจิมรถรถมันดีอยู่แล้วเขาผลิตมาก็ามีมาตรฐาน อ, อมีคน อ, อรับรองประกันคุณภาพอยู่แล้วก็มีการควบคุมตรวจคุณภาพรถนี้มันดีทุกอย่างที่มันชนกันก็เพราะคนขับไม่ดี ถ้าจะเจอก็ต้องเจอคนขับวิธีเจงคนขับก็ไม่ใช่เอาแป้งมาปะที่สี่หาผคือสอนให้มีสติเม้าแล้วอย่าขับอย่ารีบร้อนให้ศึกษากฎจราจรว่า ป, ป้ายที่เขาเขียนไว้นะั้นมีความหมายว่าไงห้ามเลี้ยวขวาบางทีก็เลี้ยวอย่างนั้นห้ามยูเทิร์นก็ยูเทิร์นอ่งี้มันถึงวุ่นวายขับรถกันเนี่ยในเมืองขับกันผิดกฎจราจร แสงซ้ายแสงขวาเนี yeah. ่ยซื้อรถแล้วแต่ไม่ไปเรียนกันทําใบกับขี่ก็บางทีก็จ้างก็ทําให้เนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ได้ทําใบกับขี่ก็าต้องให้ไปสอบเขต้องไปอ่านหนังสือว่าวิธีขับรถอย่างปลอดภัยขับอย่างไร <Yeah. S 1> กฎจราจรเขามีไว้ยอย่างไรเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ทําอย่างไร <Yeah. S 1> เวลาจอดรถให้จอดอย่างไรเขามีสอนหมดเนี่แต่คนเราไม่เรียนกันเอง yeah.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 เวลาควรจะเร็วอยู่ตรงไห น, นเวลาไม่ควรจะเร็วอยู่ตรงไห น, นถนนลื่นฝนตกก็เหยียบกันอย่างนั้นพอเวลาจะต้องเบรคกระทันหันกรลื่นชนกันนี่แหละถ้าอยากจะขับรถอย่างปลอดภัยต้องไปเจอคนขับเอาคนขับไปเรียนวิธีขับรถให้ถูกต้องนไปศึกษาวิธีขับรถไปศึกษากฎจราจรต่างๆ้ย กฎจาราจรนี้ก็มีไว้เพื่อรักษาลดอยนให้วิ่งอย่างปลอดภัยเพราะมีป้ายเขียนความเร็วไว้ดูเขาลบไว้ตอนนี้เขาให้วิ่ง40ดันไปวิ่ง80งนี่นี่คือเรื่องของชาวพุทธของพวกเราเนี่ยเราไม่สนใจที่จะศึกษากันเดี๋ยวนี้เราเห็นศาสนาเป็นเพียงแต่ ศาสนาพิธีมีแต่พิธีเต็มไปหมดแลวลองดูอ่านประกาศดูลิพิธีพุทธมนต์จเจริญพุทธมนตร์พิธีถวายผ้ากรถนนินพิธีนู่นพิธีนี่แต่ไม่มีเขียนไว้ว่าวันนี้ขอมาศึกษาพราะธรรมคำสอนมุตเจ้ากันไม่มีใครเรียนหลักสูตรไม่มีใครเรียนพระไตรปิฎก ชอบถวายพระตไตรปิฎก็ปวัดไปหมดแต่ไม่มีใครเปิดลองไปดูเนี่ยพระไตรปิฎกนี่หนังสือใหม่เอี่ยมถวายกี่ปีก็ใหม่เอี่ยมบางคนไม่รู้เนยําไปว่าพระไตรปิฎกเป็นอะไรนี่แหละนะถ้าอยากจะได้กินเนื้อก็ต้องมาศึกษาวิธีกินเนื้อว่ากินยังไง ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ถูกคนหลอกเดี๋ยวไปศึกษาคนที่ไม่เรียนแล้วมันหลอกมาพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดมันเดี๋ยวก็จะหลงทางกันถ้าศึกษารพระปฐมเทศนาก็จะรู้แล้วว่าต้องมีมรรคแปดมรรคแปดนี่สําคัญมากนะตอนที่พระเจ้าจะตายเนี่ยมีคนผู้ชายสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคําสอนของใครเป็นคําสอนที่ถูกต้อง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 เมื่อมีสัมมาสมาธิก็จะสามารถที่จะศึกษาให้เกิดสัมมาทิฏิสัมมาสังโปกขึ้นมาได้นีนี่ประสูดอันหนึ่งแล้วธรรมจกกักรปวัตนสูตรเมารู้แล้วขั้นต่อไปก็จะไปศึกษาวิธีเจริญสติว่าเจริญยังไงเจริญสมมาทิฏฐิเจริญยังไงก็ต้องไปสติปัฏฐานนี่ยเนี่ย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 พระพุทธเจ้าถ้าเห็นสั่นสอนยุบหนอพองหนอนะ่อเลยสั่นสอนให้ดูที่ปลายจมูกดูที่นมหายใจเข้าออกแล้วไม่ต้องว่ายุบหนอไม่ต้องว่าพองหนอให้รู้เฉยๆเนี่ยมันมาดัดแปลงกันฮะบางคนก็มาสอนพุทธเข้าโทาออกอีกคนปฏิบัติยิ่งสับสนยิ่งงงไปใหญ่ยิ่งยุ่งยากไปกันใหญ่ของง่ายๆครับทําไปให้มันยากขึ้น บางคนให้มานั่งดูนิ้วมือถ้าเราไม่ไปศึกษาแล้วเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยประสูนอันที่สองต่อจากธรรมจักก็คือสติปทานสูตรเนี่ยถ้าศึกษาปฏิสติปฐานสูตรแล้วเข้าใจนี้ก็บายได้แล้วสองสูตรนี้พอแล้วในในการปฏิบัติเนี่ยในสติปทานนี่จะสอนทั้งสติ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 เกิดดับเราไปบังคับมันไม่ได้อารมณ์ดีอยากให้อยู่ไปมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็อารมณ์ไม่ดีกลับมาละเวทนาความรู้สึกดีเดี๋ยวก็หมดไปละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็เข้ามาละมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็แก่ลงไปเรื่อยเจ็บลงไปเรื่อยอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากอย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ท่านเจ้าบอก ใฮะความสุขจากการปล่อยวางเวลาปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วใจมันเบามันสบายมันไม่ทุกข์กับอะไรเนี่ยคนที่มีแฟนกับคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยเป็นยังไงคนที่มีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนนะคนที่ไม่มีแฟนก็ไม่มีความทุกข์กับแฟนแต่ถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์กับความอยากมีแฟนก็ต้องหยุดความอยากมีแฟนให้ได้ แตุ่ความอยากมีแฟนก็ต้องเห็นส่วนไม่สวยงามของแฟนเห็นตับไตไส้พุงของแฟนมันก็จะไม่อยากจะมีแฟนนี่คือสติปัฏฐานเนยสติปัฏฐานสอนวิธีจเจริญสติสอนวิธีนั่งสมาธิสอนวิธีจเจริญปัญญาเพื่อให้ปล่อยวางกายเวทนาจิตเนี่ยด้วยธรรมเนเรามีธรรมหรือเปล่าคือสติเนี่ย พูดงเจต์นี่คือธรรมที่จะมาปล่อยวางกายเวทนาจิตอริยสัจสี่เป็นธรรมที่จะทําให้เราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสติปัฏฐานสี่นี้หมดเลยวิธีการปฏิบัติศีลสติสมาธิปัญญานี่รวมอยู่ในสติปัฏฐานสีน่นี้อันนี้แหละเป็นคู่มือของการปฏิบัติน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 ในหนังสืออาจจะไม่ละเอียดพอแล้วประสูตรอีกพะสูตหนึ่งที่ควรจะศึกษาก็คือมงคลลสทธิการกระทําที่เป็นมงคลสามสิบแปดประการอยากจะให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีมีความเป็นสิริมงคลให้ศึกษามงคลสามสิบแปดนี้ทําตามคําสอนสามสิบแปดข้อนี้ รับรองแน่ว่าจะมีแต่ความเป็นสิริมงคลนจะไม่ให้คบคนพาลนม่ให้คบคนฉลาดไม่ให้คบคนโง่คนพาลคือคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้คําสอนของพระเจ้าเนี่ยเกียาคนโง่เนียคนที่เก่งจบด็อกเตอร์ก็ยังถือว่าเป็นคนโง่อยู่ในในตามหลักของวงคนลอสูตรเพราะ คนฉลาดนี้จะต้องรู้เจ็ดข้อด้วยกันคือหนึ่งรู้เหตุสองรู้ผลสามรู้ตนสี่รู้บุคคลห้ารู้สังคมหกู้ประมาณเจ็ดรู้กาลเทศะคนสมัยนี้บางทีจบด็อกเตอร์มายังไม่รู้จักกาลเทศะยังไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลทําตัวเองวางตัวเองไม่เหมาะสมเจอคนที่เขา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 เพราะความรู้แบบนี้แล้วปฏิบัติตามได้นี้จะไม่มีความทุกข์ใจเลยถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจแต่วันนี้ที่ทุกข์ใจกันไม่สบายใจก็เพราะความอยากของตัวเองแทนที่จะหยุดความอยากกลับไปทำตามความอยากพอเวลาทาตามความอยากแล้วมันก็สบายใจชั่วคราวอยากสูบบุหรี่พอสูบแล้วก็สบายแต่ไม่รู้ว่าพอสูบแล้วมันก็ต้องสูบวนต่อไป เดี๋ยวความอยากสูบมันจะโผล่ขึ้นมาใหม่การทําตามความอยากนี่เป็นการเลี้ยงความอยากให้มันมีมากขึ้นไม่ใช่ให้มีน้อยลงวิธีที่จะลดความอยากก็คือต้องไม่ทําตามความอยากทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่อย่าไปสูบมันเดี๋ยวครั้งต่อไปความอยากสูบมันจะเบาลงไปแล้วต่อไปมันก็จะหมดกําลังไปคนที่ก็เลิกสูบบุหรี่ได้เขาเลิกเพราะอะไรเพราะเขาไม่สูบใช่ไหม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 เดี๋ยวก็เลิกได้ไม่ต้องไปไปเข้าคอร์สไม่ต้องไปไปเข้าสถานบาบัดอะไรต่างๆบาบัดก็บาบัดไม่เป็นบำบัดไม่รู้จักวิธีบาบัดที่แท้จริงบาบัดที่แท้จริงต้องเห็นว่าโทษการดื่มสุดาเป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจและสาเหตุของการดื่มโซดาก็คือความอยากดื่มนี่เอง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 พอติดแล้วเวลาจะสบายใจไม่สบายใจก็ต้องดื่มแล้วเพราะเวลาไม่ได้ดื่มก็ไม่สบายใจขึ้นมาวิธีแก่คืออย่าไปทำตามความอยากเวลาทรมานจากความอยากก็ไปนั่งสมาธิหัด น, นั่งสมาธิกันรับลองได้วาต่อไปจะเลิกความอยากทุกอย่างได้หมดวันนี้ก็เอาเนื้อหนังแค่นี้ก่อน ลองเอาไปศึกษาลองไปเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องหาง่ายเลยก็ไปในอินเทอร์เน็ตเขียนเนี่ยธรรมจักรกับปวัฒนสูตรแทเนี้ยเขียนธรรมจักรมันก็ขึ้นมาแล้วสติปัฏฐานมันก็ขึ้นมาแล้วมงค ล, ลสูตรก็ขึ้นมาแล้วศึกษาพระสูตรสามอันนี้ให้ได้ให้เข้าใจทุกคําพูดทุกคําสอนพระเจ้าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เสร็จต่อไม่เข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็สายเข้าไป อย่างนี้อินเทอร์เน็ตง่ายจะตายไปอยากจะค้นคว้าหาความรู้อะไรคนพานไปว่าอะไรใส่เข้าไปเลยถ้าไม่เข้าใจคาหมายว่าคนพานใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะมีแปลออกมาให้เราเองทุกอย่างสมัยนี้พวกเราโชคดีจะศึกษาอะไรนี่ง่ายมากขอให้เราใยรู้ายศึกษาเท่านั้นไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้เรียนเองก็ได้ ตัวใหญยมันจะไปหาเงินมากกว่าหาบ่อนมากกว่าเสิร์บ่อนที่ไหนดีมาตัวไหนดีเลขตัวไหนดีมันจะ <c oughs> ความรู้ความอะไรไม่เอาอ่ะหัวมันนี้ห่วยออกเดีย๋ยว้องมเข้าไปเนี่ยเหขาว่าตัวไหนดีกัน <c oughs> ถ้าไปแข็งมากก็ไปเสิร์ ด, ดูก่อนมาตัวไหนดี <c oughs> ไปสนามบ้างเนี่ยนี้ก็ เข้าไปในมือถือได้เนี่ยกดดูเลยหาตัวไหนดีเราไม่เคยทำเนี่ยแต่เราเดาว่าต้องมีแนี่ยแน่ของทุกอย่างนี่มันใส่ไปในเน็ตหมดละแล้วเน็ตมันก็เร็วหาหาให้ได้อย่างรวดเร็วนะหาธรรมะดีกว่านะลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวง ถ้ายินดีในธรรมะก็จะได้ธรรมถ้ายินดีในลาบยศสรรเสริญก็จะได้ลาบยศสรรเสริญแต่ก็จะได้ความทุกข์พ่วงมาด้วยถ้ายินดีในธรรมก็จะได้ธรรมและได้ความสุขพ่วงมา อ, อยากจะได้อะไรก็ลองไปพิจารณาดูวอานะธรรมะวันนี้ก็ขออนุโมทนาให้พรนะเผื่อคนที่ทำบุญแ้วอยากจะรับพรจะได้กลับบ้านได้ ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปัจจิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปัญญาระโสยะถามณิโชติ ภราสุยทาสสะพิติโยวิวัจฉานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาฒนศีริสานิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขัง ไปหล้วใครมาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบไปได้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวขอให้ทำพิธีกรรมก่อนนะนี่ตอนนี้ถึงเวลาพิธีกรรมนะ วางไว้อ่ะวางไว้เลยตงวางไว้เฉยๆร า, ง ไ, า ง, ไงไว้ตรงนั้นอ่ะเอากรอมาทุ่เวลากเลยนะ อาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเวลาคุยธรรมะ ม, มันต้องนิ่งถึงอย่าตาคนขยับนู่นขยับนี่แล้วมันลำคาญคุยไม่รู้เรื่องวันนี้เข้ามาเหมือนเท่าเดิมสามร้อยกว่าจากสามร้อยเก้าสิบีแล้ว อยอ่าอ่ายูทูบก็สี่ห้าสิบยีเจ็ค่ะยี่บเจ็ดออแต่แล้วนี้วันหนึ่งเข้าเข้าถึงก็สองแสนกว่านะอสองแสนกว่าโดยเฉลี่ยคนที่เข้าถึงถ่ายทอดสดนี่แต่อาจจะไม่ได้ดูบ้ง มีคนแชร์กันไปเข้าถึงแสนแปดนะแต่ที่ดูจริงๆสามร้อยกว่าแต่คนที่เข้าถึงได้ได้รับรู้ว่ามีการถ่ายทอดสดนีสองแสนกว่าบางทีก็ตั้งไว้ตั้งไว้พอมีถ่ายทอดสดมันก็ขึ้นพอขึ้นพอก็เปิดป๊าเขาก็เข้าถึงละ แต่เข้าถึงแต่ก็ไม่ได้กดดูอันนี้ปริมาณคนเข้าถึงต่อที่ก้ล้านกว่าล้านสามใช่ไหมล้านสามล้านสี่เคยขึ้นไปถึงสองล้านกว่ามีวันหนึ่งขึ้นถึงแปดแสนเข้าถึงแปดแสนอ่ แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายว่าเข้าถึงนี่หมายถึงอะไรคือเห็นโพสเมึงเห็นโพสที่โพสอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวต่างชาติมีคนยังอยู่ลาดเวกัสเดี๋ยวเขาก็ส่งคำถามเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษฟังว่ป่าวไม่รู้วันนี้ดูว่าป่าเดี๋ยวดูเขาก็ส่งแฮนโลเข้ามา อยากจะถามเลยผมเจอปัญถาว่าบางทีความคิดมันจะเกิดขึ้นมาแล้วความคิดที่มีหนาคือความคิะกุศลเกิดขึ้นมาผมอยากจะว่าเราจะมีธี่อะไรที่จะแบบปิดกั้นความคิดทีตะกุศล้เกด้นี่แหละก็ขั้นตอนของขั้นปฏิบัติขั้นต้นก็คือให้หยุดความคิดเนี่ยก็พุทโธนี่แหละคือสติถ้าเรามีพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ ตอนนี้ความคิดของเรามันเป็นเหมือนกับมันไม่มีเหมือนกับม้าไม่มีคนขับเนี้ยรถไม่มีคนขับมันก็วิ่งไปตามออโต้ของมันอ่ะมันอยากจะคิดเรื่องอะไรมันก็คิดขึ้นมานี่เราต้องหยุดมันเราต้อง Manual แมนูเอลละเราต้องหยุดตัวออโต้ละเอาคนขับมาควบคุมความคิดละตอนต้นก็หยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราจะไปควบคุมมันได้ยังไงนั้น วิธีเนี่ยที่เมื่อกี้แสดงให้ฟังสติปฐานสี่เนี่ยก็คือการเจริญสตินี่ก็เพื่อมาหยุดความคิดต่างๆให้มันหยุดเวลาไม่คิดไม่ตายหรอกความคิดหยุดนี่เราไม่ตายหรอก เ, เรายังมีอีกตัวหนึ่งคือตัวรู้มีสองตัวมีตัวคิดกับตัวรู้สองตัวนี้มันเป็นตัวที่กํากับชีวิตเรา เ, เราปล่อยให้ตัวคิดเป็นผู้กํากับชีวิตของเรา คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างแล้วก็ทำตามความคิดเนีชีวิตของเราก็เลยรุ่มรุ่ ม, มดอนๆต่ อ, อไปนี้เราจะเอาเราจะขับเองและ้ะเราจะคิดเองเราจะไม่ปล่อยให้มันคิดแล้วอย่างตอนต้นก่อนที่จะคิดเองได้ต้องหยุดมันก่อนหยุดความคิดที่มันคิดของมันเองเราต้องหยุดด้วยการใช้สติวิธีถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างมันขึ้นมาวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธี วิธีที่ใช้กันทั่วไปสอนกันทั่วไปก็คือให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจเดินขึ้นมาเลยไม่ใช่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิเติขึ้นมาลืมตาก็พุทโธไปเลยหยุดความคิดเลยอย่าให้มันคิดคิดเท่าที่จำเป็นพอลืมตาขึ้นมาต้องทำอะไรก็ไปทำตามที่เราต้องทำลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาต้องไปล้างหน้าอาบน้าแปรงฟันก็ไปทา ขณะที่ทำก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรในควบคุมความคิดด้วยพุโทโธถ้าไม่ชอบใช้พุโทโธจะใช้การจดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้พอลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ดูกําลังลุกเดินก็รู้ ก, กําลังเดินกําลังอาบน้ําก็รู้ ก, กําลังอาบน้ํากําลังแปรงฟันกําลังล้างหน้าหวีผมแต่งตัวกําลังทําอะไรก็ให้ อยู่กับการกระทํานั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นการบังคับอ่ะให้มันเฝ้าดูแต่เรามันชอบทํางานหลายอย่างเนเพราะคิดว่ามันเก่งจะได้ประหยัดเวลาอาบน้ําไปก็วางแผนไปว่าเดี๋ยววันนี้จะไปพบปะเขาใครอันนั้นละผิดละตานตามหลักศาสนามันไม่มีสติมันมันหยุดความคิดไม่ได้ปล่อยให้ความคิดคิดไปเราคิดว่าเราคิดความจริงมันคิดมันพาเราคิดเอง พราะมันมีเหตุการณ์บังคับให้ชวนให้เราคิดเมื่อเราทํามากินเราก็ต้องคิดเรื่องหาเงินหาทองนะ <Yeah. S 1> พอตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องหน้าคืนวันนี้วันอะไรต้องไปทําอะไรกับใครเนะี่ยมันก็จะคิดไปทางนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะหาเงินหาทองเราต้องการหาธรรมะเราก็มาหยุดความคิดกันเพราะธรรมะมันอยู่ที่การหยุดความคิด <Yeah. S 1> ถ้าเราต้องการความสงบเราต้องหยุดความคิดเนี่ยมันชีวิต มื่อถึงพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเรากําลังจะยูเทิร์นถ้าเรายังเราต้องการจะมาธรรมะทางธรรมนี่เราก็ต้องยูเทิร์นละตอนนี้รถเรากําลังวิ่งไปทางใต้ถ้าเราอยากจะไปทางเหนือเราต้องหยุดรถก่อนหยุดแล้วเราก็กลับรถถ้าไม่หยุดรถจะกลับได้ไงใชมเพราะไม่ได้มีที่ยูเทิร์นมันต้องหยุดรถหยุดรถแล้วก็กลับรถ หยุดความคิดที่คิดไปในทางลาบยศสรรเสริญคิดไปในทางหาความสุขต่างๆทางทางร่างกายให้หยุดความคิดเหล่านี้พอเราหยุดความคิดได้ใจก็จะจะว่างแล้วพอเรานั่งเฉยๆมันก็จะสงบเต็มที่ถ้ายังไม่ได้นั่งนี้ corps. มันจะสงบแต่ไม่เ thì, ต็มที่ว่างไม่เต็มที่ถ้าอยากจะให้มันสงบให้ว่างอย่างเต็มที่ให้มีความสุขอย่างเต็มที่ต้องนั่งหลับตาแล้วก็หยุดความคิด พอหยุดความคิดคาคิดหยุดปั๊บมันจะรวมเป็นหนึ่งเหลือแต่ตัวรู้ตัวคิดจะหายไปล้วก็จะเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปหาเงินหาทองพอมันได้ความสุขอันนี้แล้วมันมันก็จะมีกำลังใจที่จะเลิกหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดได้พอออกจากความสุขอันนี้มาออกจากสมาธิมา พอจิตจะคิดไปหาความสุขทางลาบยศสารเสริญก็ใช้ปัญญาสอนว่ากําลังไปหาความทุกข์นะเพราะมันเป็นปลาไหลมันไม่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหลุดมือไปอย่าไปหากลับมาหาความสงบดีกว่าะถ้อ า, อาอยากจะไปกินกาแฟก็กลับมานั่งสมาธิต่ตอดื่มน้ำแล้วก็มานั่งสมาธิต่อเพราะที่กินนี้ต้องการน้ําต่างหากร่างกายมันไม่ได้ต้องการรสของกาแฟไม่ต้องการกลิ่นของกาแฟ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 มีแต่การหาธรรมะนะั้นที่เป็นสุขไม่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยวิธีต้องหยุดความคิดไปฝึกเนี่ยลองท่องพุโทโธดูเฝ่าดูร่างกายตอนนี้กําลังทําอะไรผูกใจไว้กับร่างกายให้มันเป็นเหมือนป่าท่องโก้เลยไปไหนไปด้วยกันร่างกายอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่เราใจเราจะไม่อยู่ที่ร่างกายเราใช่ไหม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 คุณไปบังคับลมได้ไหมสั่งให้มันหยุดได้ไหมนั่นแหละคุณชอบไปบังคับธรรมชาติชอาให้ร่างกายไม่แก่ชอบให้ร่างกายเวลาเจ็บให้มันหายคุณมันไปบังคับมันได้ไปสั่งมันได้ไงมันเป็นอนัตตาร่างกายนี่มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สภาวะนี่มันจริงๆแล้วมันคือมันคือเสียงเดียวแต่ว่ามันเป็นมุมมองว่ามันเป็นตั้งอวิังผู้ขังอนัตตาใน ในในตัวเดียวกันแต่ว่าตัดมุบองหรือเปล่ามันมีทั้งหมดอ่ะสามตัวนี้มันอยู่ในตัวมันมีสองตัวไอ้ตัวที่สามตัวทุกนี้มันมันอยู่ในใจเราไอ้อันนี้จางการน้าตาเนี่ยอยู่กับลมเนี่ยเห็นไหมอันนี้จางเหรอเดี๋ยวก็พัดเดี๋ยวก็ไม่พัดเนี๋ยอันนี้จางเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาคือไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหยุดไม่ได้เวลามันพัดเวลาไม่พัดสั่งให้มันพัดก็ไม่ได้อันนี้เรียกว่านัตตา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 มันต้องมีสักวันที่เรต้องไปเห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายแต่ตอนนั้นมันอาจจะสายไปซะแล้วถ้าเราไม่มาเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเราจึงต้องมาศึกษาล่วงหน้าก่อนว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้แหละคือเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้แต่เราไม่จํากันเน่ะ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 โลกบางโลกมันก็หายบางทีก็มันก็ไม่หายอันนี้เราไม่เห็นอนัตตาในสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีของที่เป็นอั ต, ตาผสมกันมา ต, ตอนนี้เราคุมมันได้เราก็คิดว่ามันเป็นของเราตัวเราเนี <S <S <oner gan> เดี๋ยวถึงเวลาที่เราคุมไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราที่เราจะรู้แล้วว่ามันเป็นอนัตตาแต่เราต้องไม่รู้จักวิธีทำใจแล้ว <S <S <โน leader>แล้วเราต้องหัดมาทาใจในใตาตอนนี้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 เวลาตลาดตลาดหุ้นลงนี่ก็ไม่ยอมให้มันลงกันเนียมันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยตลาดหุ้นมันก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมมันก็มีขึ้นมีลงน้ำก็มีขึ้นมีลงน้ำทะเลมีขึ้นมีลงธรรมชาติมีใครไปสั่งให้น้ำทะเลไม่ขึ้นไม่ลงไหตลาดหุ้นมีใครไปสั่งไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันลงได้ไหมมันก็ขึ้นลงของมันอย่างงี้แต่ทาไมไปทุกกับตลาดหุ้น แต่ทําไมไม่ไปทุกกับทะเลน้ำทะเลเวลาน้ำทะเลลงแม่นมีใครโวยวายบ่นโดเฉพาะเราไปฝากความสุขความทุกข์ของเราไว้กับหุ้นไงพอหุ้นขึ้นก็โอ้โสุขกันใหญ่ดีใจกันใหญ่พอหุ้นลงก็โอ้เสียใจกันใหญ่อยาไปฝากความสุขความทุกข์กับในสิ่งที่มันขึ้นขลงลงพระเจ้าบอก ให้ฝากอยู่กับความสงบตัวเดียวฝากอยู่กับทำแล้วจะปลอดภัยแต่จะฝากเงินธนาคารก็มาฝากธนาคารทำธนาคารของพระเจ้านี้ปลอดภัยไม่มีศูนย์ถ้าธนาคารอื่นที่ศูนย์หมดเพราะทุกธนาคารมันต้องมีวันสักวันที่มันจะต้องล่มมันต้องจบเือเราเป็นผู้ฝากก็ต้องจบซะก่อน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 เพราะต้นเหตุที่ทําให้ต้นไม้เป็นชนิดนั้นชนิดนี้มันก็มีต่างกันไปถ้ามันขึ้นไปสักพักเดียวมันก็ตายลงมามันก็กลับมาเป็นดินใหม่มันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้แต่เราอยากให้มันขึ้นอย่างเดียวอยากให้มันอยู่อย่างเดียวไม่อยากจะให้มันเสื่อมไม่ให้มันหมดพอมันเสื่อมแล้วก็เลยทุกกัน มาแก้ความทุกข์ที่ใจเราพุทธเจ้าบอกอย่าไปแก้ที่ธรรมชาติแก้ไม่ได้ธรรมชาติโรคนี้สักวันมันก็ต้องพังไปมันก็นิจจังเหมือนกันตรงนี้ต่อไปอาจจะเป็นเหมือนดาวังคารหรือเป็นดวงจันทร์ก็ได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเดืออยู่เพราะสักวันนึงมันอาจจะตายหมดทุกอย่างมันอาจจะบรรยากาศมันอาจจะหมดอากาศมันจะหมดพอไม่มีอากาศแล้วจะอยู่มันยังไง่ะแล้วเกิดมีความร้อนใกล้ดวงอาทิตย์เข้ามาหน่อยมันก็เผาหมดแล้ว เผาทุกอย่างที่เป็นอยู่นี้กลายเป็นดินเลยหมดนะงั้นอย่าไปยุ่งกับธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดแม้แต่ร่างกายเรานี้ก็เป็นธรรมชาติที่เราทุกข์เพราะเราเราไปยุ่งกับธรรมชาติเราคิดว่าเราเก่งกว่าธรรมชาติเราคิดว่าเราจะควบคุมบังคับสั่งให้ธรรมชาติเป็นไปตามความต้องการของเราได้พอไม่ได้เป็นเกษเสียใจกันพอตายจากกันก็ร้องหขมร้องไห้กัน มีใครอยากตามไหมไม่มีจะให้คำถามที่บ้านบ้างไหมเอาเอาเลยคำถามจากคุณปอนเทพลักษณะของสกายยะทิศีเป็นอย่างไรครับเนี่ยครับพูกกันที่บ้านเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวเราไม่มีของเราใช่ไหมอ่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 ครบกำหนดก่อนตทำบุญชาตินี้ก็ไปรอรับผลชาติหน้าชาตินี้ก็ใช้กรรมของชาติก่อนท่องถามจากคุณละเวงกลับเรียนถามแถวอาจารย์เรื่องขันห้าส่วนที่เป็นนามมีอาการสี่อย่างมีการทํางานเพราะยึดลูกเพื่อรูปใช่ไหมคะไม่หรอกขันสีนี่มันทํางานไปตามธรรมชาติของมันมันมีหน้าที่ของมัน แเวลามีรูปมาให้มันรับรู้มันก็จะมีสัญญาก็ามาดูว่ารูปนี้คือรูปอะไรมันมีความจํานี้ว่ารูปนี้กับรูปที่เราจํานี้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันก็จะรู้ว่าอ๋อในนี้คือรูปคนนี้คือนายกนายขอขึ้นมาถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีในในข้อมูลของเราเรากร็ว่าคนนี้เราไม่รู้จักสัญญามันทํางานพอไม่รู้จักมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมา ถ้าคนรู้จักก็อาจจะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นคนดีคนทำประโยชน์ให้กับเราพอเห็นเขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าไปเจอคนที่เขาทาให้เราทุกข์พอเจอเขาเราก็จะเกิดความไม่สุขใจขึ้นมาความไม่สบายใจขึ้นมามันเป็นการกระทาของของทำหน้าที่ของมันให้ให้ให้จิตรับรู้ให้ใจรับรู้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 แล้วพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็เกิดสังขารความปรุงแต่งถ้าสุขก็เชิญเข้ามาสิเข้ามาเลยถ้าทุกข์ก็ไม่ว่างไปไ ป, ไปที่อื่นคิดสังขารก็คิดปรุงแต่งไปนี่คือการทํางานของนามขันเวลาที่ตัววิญ ญ, ญาณก็เป็นตัวรับข้อมูลเข้ามาวิญ ญ, ญาณก็มีห้าทางใช่หไหมจากขวัวิญ ญ, ญาณก็รับมาทางตาโสตวิญ ญ, ญาณก็รับมาทางหู ตรงนี้ก็รับตามต่างคนต่างทําหน้าที่กันวิญญาเป็นผู้รับข้อมูลรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้สัญญาเป็นผู้แยกแยะว่าเป็นอะไรเป็นใครแล้วก็พอแยกแยะแล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาต่อลูปเสียงกลิ่นรสแล้วพอเกิดเวทนาก็เกิดสามขานว่าจะปฏิบัติกับเวทนากับรูปเสียงกลิ่นรสนี้อย่างไร <c oughs> อย่างเช่นตอนนี้ฝนตกมันบอกเราให้กลับบ้านดีกว่าวเว้ย เนี่ยไปได้แล้วเนี่ยมาพายุมานีมันมาเร็วนะมาปุ๊บมาเลยเนี่ยเ๋องเจ็บแล้วมั้งพายุแรงนิลมันก็ไม่อยู่นะนี่ยังไงหรือจะลองยกเข้ามาอาจจะต้องขอยุติการถ่ายทอดชั่าวเน่ยเพราะพายุเข้าแล้ว w i ไฟไม่ไู้จะใช้ได้บ่ะลองมาตั้งตรงนี้ดูอ่าใช้ได้อยู่แล้วยังใช้ได้เลย Wi-Fi ฮะอ๋อเก็บตามพงอะถ้าอยากจะไปก็ไปนะเดี๋ยวเกิดฝนตกแล้วมันเเดี๋ยวมันจะหยุดก็ได้ไม่ไมแน่เราดูไปก่อน อ่ะไปก็ดี <c oughs> จะได้ไม่เปียก เ, เดี๋ยวมันอาจจะติดก็ได้เดี๋ยวนี่อาจจะเป็นลูกแรกมามามาเตือนก่อนก็ได้ฉันอย่ามาแล้วเนยะถ้าตกก็คุยกันไม่ได้อยู่ดีกลับกันดีกว่านะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาแลอะอาจารย์ผมอยากถามว่าถ้าเราใกล้ตายเนี่ยเราควรทำสมาธิในในจิตยังไงกับประทำตอนนี้แหละ ทำไงก็ทั้งทำตอนนี้แหละแันก็ทำตอนนี้ให้มันสงบไงออาทำให้ปล่อยปล่อยวางร่างกายไงอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากไม่ตายให้มันตายมันไงมอยากจะตายก็ตายไปแต่จะไม่ทุกข์ต้องถัดทำจต่อตอนนี้ไปรอทาตอนตายทำไม่ได้ก็จ ะ, ะต้องปล่อยตั้งแต่ตอนนี้พอแล้วนะก็ขอให้ทุกท่าน จงเอานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทวันนี้เจอนักตาแล้วเนี่ย